ในมงคลสูตรท่านแสดงไว้ความเป็นมงคลเกี่ยวกับเรื่องธรรมะคือการฟังธรรมกับการสนทนาธรรมท่านเรียกว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งการเลรนธรรมะสวนังธรรมะสวังแปลว่าการฟังธรรมการเลนธรรมะส า, ากัจฉา ธรรมสะสากัดฉาก็แปลว่าการสนทนาธรรมถามตอบถามตอบปัญหาธรรมเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะจะทำให้เราได้ได้เรียนรู้ธรรมที่เรายังไม่รู้มาก่อนธรรมที่เราได้เรียนรู้แล้วเราอาจจะไม่เข้าใจเราก็ถามเพื่อจะได้เกิดความเข้าใจก็ะจ่างขึ้น เขาบอกว่าเป็นมงคลมงคลก็จะนําสู่ความสุขความเจริญเป็นการดับความทุกข์ดับความเสื่อมเสียต่างๆแทนไม่ต้องไม่ต้องอายไม่ต้องกลัวว่าถ้าเราไม่ถ้าเราไม่รู้เราถามเราจะเป็นคนไม่ฉลาด ไม่มีใครฉลาดหรอกถ้าฉลาดก็ไม่มาเกิดกันถ้ายังมาเกิดอยู่ก็แสดงว่ายังโง่อยู่ยังมีอวิชชาความโง่ครอบ ง, งาจิตใจยังไงปฏิจจาสามุป บ, บาทท่านแสดงอวิชชาปัจจยาสังขาราอาวิชชาเนี่ยเป็นตัวที่หลอกให้ใจเราปรุงแต่งปรุงแต่งไปทาง ว, วิญญาณทั้งห้าวิญญาณก็คือกระแสะจิตที่ส่งไปเกาะติดอยู่กับตาหูจมูกลิ้กายเพื่อเราจะได้ไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะอาจบอกอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณอาวิชชาบอกให้ปรุงแต่งไปทาง รูปเสียงกิ่นรดไปทางวิญญาณเป็นจักขุวิญญาณโสตะวิญญาณใจนี้จะเข้ามาสู่ร่างกายได้ต้องต้องเชื่อมด้วยวิญญาณวิญญาณนี้เป็นเหมือนสายที่เราเสียบเข้าไปกับเครื่องโทรศัพท์มือถือหูฟังเนี่ยถาเราจะใช้หูฟังเราก็ต้องมีสายไปเสียบเข้าที่เครื่องอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราอยากจะได้ยินเสียง ได้เห็นรูปเราก็ต้องเอาสายของใจคือวิญญาณนี้ไปเสียบที่ตาหูจมูกร่างกายของร่างกายร่างกายนี้เป็นเหมือนกับโทรศัพท์มือถือเนี่ยคนที่ใช้มือถือถ้าอยากจะฟังเสียงเข้าไปในหูก็เอาสายเสียบไปที่เสียบไปที่เครื่องโทรศัพท์แล้วก็แล้วก็เอาเอ า, เอาไปสายที่หู ก็จะได้ยินเสียงชัดเจนใจกับร่างกายเนี่ยมันเชื่อมกันด้วยวิญญาณทั้งห้าคือรูปเสียงกลิ่นวิญญาณที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายอาวิชชาสังขารเป็นตัวสั่งให้ส่งสส่งวิญญาณไปเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายอายตนะวิญญาณาปัจจะอายตนะ อยายตนะก็ไปหาสัมผัสกับอยายตนะภายนอกอยายตนะภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายอาวิชชาปัจจะยสังขารสังขาราปัจจะยวิญญาณังวิญญาณังปัจจะยาอยายตนะอยายตนะภายในกับภายนอกเมื่อเจอกันก็ผัสสะ เมื่อเกิดผัสสะเกิดสัมผัสตาสัมผัสกับรูปหูสัมผัสกับเสียงก็เกิดเวทนาขึ้นมาเกิดความรู้สึกขึ้นมาได้ยินเสียงที่ถูกใจก็สุขเวทนาก็เกิดขึ้นได้ยินเสียงที่ไม่ถูกใจก็ทุกขเวทนาก็เกิดขึ้นพอเกิดเวทนาก็มีตัณหาตามมาตัณหาความอยาก ถ้าเป็นสุขเวทนาก็อยากจะให้มันสุขไปเรื่อยๆฟังเสียงดีๆอยากจะได้ยินแต่เสียงดีๆไปเรื่อยๆถ้าได้ยินเสียงที่ไม่ดีก็อยากจะให้มันหายไปเร็วๆอันนี้ก็ตันหาเราเกิดตันหาความอยากก็เกิดอุปทานความยึดยึดติดกับเสียงที่เราชอบยึดติดกับเสียงที่เราไม่ชอบ goosebumps. เสียงที่เราไม่ชอบก็ อยาก ใ, ให้มันหายไปกต็ติดติดตรงที่อยากจะให้มันหายพอมันไม่หายก็ทุกข์เสียงที่ชอบอยากให้มันอยู่พอมันหายไปก็ทุกข์พอเกิดอุปทานก็เกิดภาวะเกิดพบใหม่พราะจะต้องมีอยู่เรื่อยๆพอรูปพอเสียงนี้หายไปก็ไปหาเสียงใหม่ นี่พบใหม่เปลี่ยนภาวะใหม่ภาวะนี้หายไปก็ไปก่อภาวะใหม่ขึ้นมาก่อภาวะใหม่ก็เป็เวลาตาหูจมูกลิ้นกายหมดสภาพทํางานไม่ได้ก็ต้องไปเปลี่ยนพบใหม่ไปเปลี่ยนร่างกายอันใหม่ไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายอันใหม่เนี่ยสาเหตุที่ทําให้พวกเรามาเกิดกันก็คือความโง่ อวิชาแปลว่าความโง่โง่ที่ตรงที่ว่าไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ตรงไหนไปคิดว่าความสุขอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสเลยต้องมามีร่างกายมามีอาตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายเรียกอายตนะภายในอายตนะภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะ เป็นของคู่กันต้องมาเจอกันเหมือนเหมือนผู้หญิงกับผู้ชายต้องดูดกันตาก็ดูดไปดูดทารูปหูก็ดูดาเสียงเนี่ความโง่ที่ไม่รู้ว่าความสุขนั้นที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสปุถุพะ อยู่ที่ความสงบไม่รู้เราจรึงนอสายธรรมะธรรมะของพระพุทธเจ้าพระพระพุทธเจ้าเป็นคนคนแรกที่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ความสงบก็เลยสอนให้เรามาหยุดปรุงแต่งหยุดความคิดปรุงแต่งไปหารูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยที่เรามาเดินจงกรมนั่งสมาธินี่ก็เพื่อมาหยุดสังขารความคิดปรุงแต่งใช่ไหม ถ้าไม่มีสติเดี๋ยวว่าคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสของคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เอคิดแล้วก็เกิดตัณหาความอยากขึ้นมาอยากสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ทำให้มีความสุขขึ้นมาแล้วก็ติดพอได้สัมผัสแล้วก็ติดเหมือนยาเสพติดแล้วอุปท า, านใช่ไหมติดรูปเสียงกลิ่นรสนะั้ของกาแฟเนี่ยกินมากันกี่ถ้วยละ เลิกหรือยังเลิ ก, เลกได้หรือยังหนังดูมากี่เรื่องแนละ้วเลิกดูได้หรือยังนอนกับแฟนมากี่คนแล้วเนี่ยเลิกนอนกับแฟนได้ยังนอนคนเดียวได้เปล่าเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรถเนี่ยทั้งนั้นเนี่ยนี่เรียกว่าอา๋อคิดว่าเป็นความสุขแต่เวลาไม่ได้เสพนี่มันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ เวลาแฟนทิ้งเราไปเลิกกับเราหรือตายจากเราไปเนี่ยร้องหม่มร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลับนี่ยหลไม่เห็นทุกข์ไงกลับไปเห็นว่ามันสุขเห็นว่ามีแฟนแล้วสุขจะได้เห็นเห็นว่าดิ่มก็แฟนแล้วสุขเห็นว่าได้ดูหนังฟังเพลงแล้วสุขได้ไปเที่ยวแล้วสุข แล้วไม่เห็นตอนที่เวลาไม่ได้ไปทํางไงเวลาอยากไปเที่ยวแล้วไม่ได้ไปไรู้สึกไงเศร้าส้อยหงอยเหงาว่าเวอยู่บ้านคนเดียวนี่แหละไม่เห็นทุกข์อวิชชาความโง่คือไม่เห็นทุกข์ในสิ่งที่เรากำลังหากันเราเห็นว่ามันเป็นสุขกันเพราะเราไม่เห็นความไม่เที่ยงเราไม่เห็นตายรัก เราไม่เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราหานี่มันไม่เที่ยงมันบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีเวลามีก็ดีเวลาหมดนี่หน้าหิวกันเวลาเงินหมดนี่เวลาสิ้นเดือนเงินเดือนออกนี่ยิ้มแป้นกันพอไปพอไปไม่สักกี่วันนี่หน้าหิวแล้เงินหมดแล้วเนี่ย เราไม่เห็นความทุกข์ในความสุขเราเห็นแต่สุขเหมือนกับเห็นแต่น้ำตาลที่เคลือบยาขมแต่ไม่เห็นความขมเวลาอมใหม่ๆ ม, มันหวานพอน้ำตาลมันละลายหมดแล้วมันก็เริ่มขมขึ้นมาสิ่งต่างๆที่เราเสพด้วยตาหูจมูกนิ้นกายเนี่ยมันมันไม่เที่ยงมันชั่วคราวมันเดี๋ยวเดียว แล้วพอมันหายไปมันก็กลายเป็นความขมขื่นขึ้นมากลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเราจึงต้องมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อจะได้เกิดปัญญาฟังธรรมธรรมะเราจะได้เอาธรรมะมาสอนสังขารให้คิดไปในทางตรงกันข้ามกั น, นอวิชชาเราต้องเอาวิชามาแก้อวิชชาอาวิชชาคือความไม่รู้ความหลง ความโง่อวิชาคือปัญญาธรรมะเนี่ยทำสอนของมุทธเจ้านี้เป็นวิชาเป็นความรู้ที่จะสอนให้เราเลิกหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเลิกหาราบยศรละเสริญกันเรามาหาความสงบ ก, กันแทนให้หยุดคิดหยุดหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหยุดคิดได้ใจก็จะสงบ สงบแล้วก็จะเกิดความสุขขึ้นมาอีกแบบหนึ่งความสุขที่ไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นรสมาให้ความสุขความสุขที่ไม่ต้องใช้ลาบยศจารเสนเป็นความสุขที่มีอยู่ในใจของเราเองมีของดีๆของวิเศษอยู่ในตัวกับไม่หากันกับไมหาเสหากองขยะกันหากองทุกข์กันออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสออกไปหาลาบยศจารเสริญ เวหาก็เหนื่อยแสนเหนื่อยอาจะได้เงินทองมาสักบาทแต่พอไปใช้นี่เหมมันตับเดียวหมดแล้วรูดบัตรใบเดียวเนี่ยเงินเดือนทั้งเดือนนี่ไม่พอรูดถ้าอยากถ้าอยากจะซื้อของตามใจอยากแล้วมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอไม่พอซื้อมันมีของราคาแพงๆมันก่อนมีคนประมูลภาพภาพวาดอยู่ภาพหนึ่งราคา 4ี่ร้อยห้าสิบล้านเหรียญคูณด้วยสามสิบแสนมื่นกว่าล้านภาพใบเดียวเนี่ยคนพอมีมเงินเห็นไหมแสนกว่าล้านก็ไม่พอซื้อคนที่มีน้อยกว่าสี่ร้ยห้าสิบล้านเหรียญก็ซื้อไม่ได้เขาประมูลกันเขาแข่งกันแข่งความรวยกัน อายจะรวยกว่ากันเกิดภ mm hmm. าพนั้นมันหายไปหรือไฟไหม้ไปนี่ก็สี่ร้อยห้าสิบล้านก็หายไปหมดเลยอย้ mm hmm. น, น, นี้ก็มีโจรคอยคอยกมยภาพแพงๆกันเรื่อย mm hmm. เพลิไม่ได้ mm hmm. เวลาซื้อมาแล้วก็ต้องเอาไปเก็บเอาไปซ่อนไว้อีกนานๆก็เอามาโชว์สักครั้งหนึ่ง mm hmm. เวลาโชว์ก็ต้องเอา ตำรวจมาเป็นร้อยเป็นสุขก็เป็นทุกข์กันออพวกเราไม่มีรูกสี่ร้อยสิบล้านนี่เราเดือดร้อนไหมไอคนมีแล้วกก็ลับมาเดือดร้อนไหอคนที่เสียเงินสี่ร้อยห้าสิบล้านซื้อรูปมาเนี่ยแล้วมันเดือดร้อนหรือเปล่ามันสบายหรือมันวุ่นวายแล้วมันฉลาดหรือมันโง่เนี่ยมีเงินแทนที่ยา เอาเงินมาใช้มีความสุขไม่ใช้กันเอาไปทําบุญซิสร้างโรงเรียนสร้างพยาบาลโรงพยาบาลเนี่ยคิดดูหนึ่งหมื่นสี่พันกากีล้านเนี่ยไม่ใช่หนึ่งหมื่นสามคูนสี่สิบสองสามอารหนึ่งมืนห้ามื่นห้าล้านหน้าพัล้านสร้างโรงพยาบาลได้สบายสบายอย่างดีแนละ้วชั้นหนึ่งเลยหรือสร้างโรงเรียนสร้างมาหาลัย ทำประโยชน์ให้แก่หรือเอาไปช่วยคนยากจนอย่างมหาเศรษฐีระดับหนึ่งโลกของโลกบิลเกตเขาก็ไปช่วยคนยากจนในแอฟริกาอินเดียไม่มีน้ําหาน้ำหาน้ําสะอาดให้เขามีน้ําสะอาดกินคนที่เขาอยู่ยากจนนี้น้ําบางทีเขาต้องเดินเป็นกิโลนะไปหิวน้ําคนแอฟริกาเนี้ยคนอินเดียบ้านที่เขาอยู่ไม่มีน้ําเขาต้องเดิน เป็นกิโลกิโลเพื่อไปแบกน้ำมาใช้กันอยากไปช่วยคนที่เขาทุกข์ยากลำบากให้เขาได้อยู่อย่างสบายมากแล้วมีความสุขมากกว่ามีภาพราคาแพงๆเก็บเอาไว้แล้วก็ต้องมาวิตกกังวลมาห่วงกับภาพที่ได้ซื้อมา ต้องไปเสียค่าค่าเก็บอีกเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยต้องไปจ้างสร้างที่เก็บสร้างจ้างรอปรพอพระบบป้องกันภัยต่างๆอันนี้แหละเป็นการใช้เงินไม่เป็นใช้เงินไปทำให้เกิดความทุกข์ใจพระพุทธเจ้าสอนให้เอาเงินไปทำทานดีกว่า ดีกว่าไปซื้อของต่างๆที่เราอยากได้ซื้อมาแล้วก็แทนที่จะเป็นความสุขก็กลายเป็นความทุกข์ไปเพราะจะต้องเป็นภาระต่อการดูแลรักษาแล้วถ้ามันหายไปก็ก็ทุกข์อีกเสียใจเสียดายเอาไปทำบุญเราจะสบายใจมนความสุขใจ นี่คือธรรมะที่เราต้องมาฟังธรรมกันเพื่อเราจะได้รู้ว่าอะไรที่จะส่งเสริมความสงบของใจอะไรที่จะมาส่งเสริมความวุ่นวายใจกันนะมีอะไรแล้วมันจะต้องวุ่นวายใจไม่มีแล้วมันจะสบายใจนะเวลาทําบุญปั้มนี่สบายใจหมดปัญหาการเงินที่ทําไปแล้วไม่ต้องมาหวงมาห่วงการเงินก้อนนั้นนะ ถ้ายังมีอยู่ก็ต้องคอยดูแลรักษาคอยวิตกกังวลมีอะไรก็จะมีทุกเพราะสิ่งที่มีมันไม่แน่นอนมันไม่ถาวรมันมันจะจากเราไปได้ทุกเวลานาทีเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้มันจึงทำให้เรากังวล เรามีสิ่งต่างๆอยู่ตอนนี้แต่เรากังวลกับมันไม่รู้ว่ามันจะพรุ่งนี้จะมีกาแฟเดื่มหรือเปล่าไม่รู้พรุ่งนี้จะมีแฟนอยู่กับเราหรือเปล่าถ้าไม่มีมันก็ไม่มีความกางังวลถ้าอยู่คนเดียวมไม่มีแฟนก็ไม่ต้องกังวลกับแฟนว่าพรุ่งนี้แฟนจะอยู่กับเราหรือเปล่าเนี่ยเขาจะไปอเนี่ยคือปัญญา ให้ดูว่าความสุขนั้นอยู่ที่ความสงบอยู่ที่การไม่มีอะไรเพราะไม่มีอะไรแล้วใจก็จะไม่วุ่นวายใจก็จะสงบได้ถ้ามีแล้วมันสงบไม่ได้หรอกทาใจยังไงมันก็สงบไม่ได้สงบได้เดียวๆพอพอมาคิดถึงมันทีไรก็เกิดความกังวลขึ้นมาทุกขังไป จนกว่ามันจะจนกว่ามันจะจากเราไปแล้วเนะ่ะมันถึงจะหมดความกังวลอ่ง น, นี่คือธรรมะที่พระเจ้าสอนให้เราสังขารความคิดปรุงแต่งปรุงไปทางทางความสงบกันอย่าปรุงไปทางความวุ่นวายกันถ้าปรุงไปหาลาบยศสัลเสญปรุงไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายนี่มันจะมีแต่ความวุ่นวายไปตลอดเวลา ให้ปรุงไปทางตรงกันข้ามไปให้ปรุงไปปรุงไปทางปล่อยวางลาบยศสารเสริญปล่อยวางรูปเสียงเกิรลดยุดติยุติการหาราบยศสารเสริญยุติการหารูปเสียงเกิดลดพทธะเพื่อเราจะได้มีเวลามาทําใจให้สงบได้เต็มที่ถ้าเรายังต้องไปหาราบยศสารเสริญอยู่เราก็ต้องใช้ความคิดปรุงแต่ง ไปกับการหาราบยศสรรเสริญจะไม่สามารถหยุดความคิดปรุงแต่งได้ก็จะไม่ได้พบกับความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบต้องเกิดจากการหยุดความคิดปรุงแต่งให้ได้หยุดสังขารถ้าหยุดไม่ได้มันก็จะมันก็จะปรุงแต่งไปทางราบยศสรรเสริญปรุงแต่งไปทางรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็ ปรุงแต่งไปทางตันหาความอยากอุปทานหามาเท่าไหร่ก็ไม่พอหามาแล้วก็ต้องหาเพิ่มอีกเป็นภาวะใหม่ขึ้นมาได้มาแล้วก็ ห, หมดไปก็เกิดความอยากได้ภาวะอันใหม่ขึ้นมาอยากได้เพิ่มขึ้นได้คือก็ต่อไปก็อยากจะได้สอกได้สอกแล้วก็อยากจะได้วามันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ตายไปก็ไปเกิดใหม่เพราะความอยากที่จะหาลูกเสียงกลิ่นยังไม่หมดไปจากใจก็เลยพาให้ไปเกิดใหม่เนี่ยปฏิจจาสา ม, มุปบาทเนี่ยท่านชี้แจงออกมาจากใจน่ำต้นที่ความหลงอวิชชาความไม่รู้ว่าความสุขนี้อยู่ในใจเลยดันใจออกไปหาความสุขข้างนอก ส่งวิญญาณไปเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อจะได้เห็นรูปได้ยินเสียงได้ลิ้มรส ด, ดมกลิ่นได้สัมผัสกับสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสกับร่างกายแล้วก็เกิดเวทนาขึ้นมาเกิดความสุขชั่วคราวขึ้นมาและพอหมดไปก็เกิดตัญหาความอยากก็ต้องหามันอีก หาได้ก็สุขหาไม่ได้ก็ทุกข์เกิดความยึดติดเหมือนติดยาเสพติดเสพแล้วก็ติดใช่ไหมเสพรูปแล้วก็ติดเสพเสียงแล้วก็ติดอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรส ด, ดมกลิ่นกันตลอดเวลานี่แหละคือ เรื่องของธรรมะถ้าไม่ฟังก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าเรามาเกิดกันได้ยังไงไม่รู้ว่าเรามาหาราบยศสรรเสริญหารูกเสียงกินลดกันได้ยังไงไม่มีใครสอนเลยต้องมีใครสอนแล้วเปล่าว่าให้ไปหารูกเสียงกินรถเด็กตัวนี้เดียวมันยังอยากเลยพ่อแม่ไปไหนก็ขอตามไปปล่อยให้มันอยู่บ้านก็ร้องพอได้ไปกับพ่อแม่ได้นั่งรถออกไปดูนั่นดูนี่ มันก็ตื่นตาตื่นใจขึ้นมาเกอดความสุขขึ้นมาไม่งองแงในชะ่ไหมแต่ถ้าให้มันอยู่บ้านเฉยๆเดียวมันก็งองแงร้องต้องหาอะไรให้มันเล่นให้มันดูให้มันกินให้มันเดื่มแม่บางคนเบื่อมากๆ ก, ก็ให้มันกินยานอนหลับไปเลยบางทีมันจะได้ไม่มาท้องกวน เอาอยาแ น, นหลบปนเข้าไปผสมเข้าไปในนม้มันกินกินนมเสร็จก็นอนหลับเลยน่าจะได้มีเวลาว่างทำนู่นทำนี่ได้อันนี้คือเรื่องของใจของพวกเราที่เราสอนมันให้มันไปทำไปหาสิ่งต่างๆินกระทั่งติด เพราะว่าสิ่งต่างๆมันได้มาแล้วมันไม่ได้ทําให้อิ่มให้พอได้มาแล้วมันก็ให้ความสุขเดี๋ยวเดียวให้ความอิ่มเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวก็หิวขึ้นมาใหม่อยากขึ้นมาใหม่เพรเวลาไม่มีมันแล้วมันเหมือนกับมันมันไม่มีลมหายใจมันจะตายให้ได้เวลาฐานรูปเสียงกลิ่นรสนี่มันจะตายให้ได้เลยต้องคอยไปหามันมาอยู่เรื่อยๆ เหมือนกับร่างกายนี้ถ้าไม่มีลมหายใจมันก็จะตายใจไม่มีลูกเสียงกลิ่นรสไม่มีราบยศสารเสริญก็จะตายเลยต้องไปหามันหามาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอแล้วเวลาไม่มีก็ทุกข์หาไม่ได้ก็ทุกข์ถ้ายังไปทางนี้อยู่มันก็จะต้องทุกข์ไปไม่มีวันสิ้นสุดเพราะมันไม่ได้จบตรงที่ความตายของร่างกาย ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอยากมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันอยู่ที่ใจมันก็เลยเป็นตัวดึงใจให้ไปหาร่างกายอันใหม่ร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือเหมือนโทรศัพท์มือถือเนี่ยที่เราใช้กันอยู่เนี่ยถ้าเกิดโทรศัพท์เครื่องนี้เสียไปเราจะต้องหาเครื่องใหม่กันหรเปล่าทำไมเมื่อก่อนไม่มีทำไมเราอยู่ได้ทำไมเดี๋ยวนี้พอมีมันแล้วเวลาไม่มีมันอยู่ไม่ได้นะ เพาเติดกันนั่นเองเวลาไม่มีรู้สึกมันอึดอัดหงุดหียดน้ําคาใจทำอะไรตามความอยากไม่ได้ก็เลยอยากจะมีแต่ถ้าลองฝืนทนไหมช่างมันไม่มีก็อย่าไปใช้มันทักพังเดี๋ยวก็<ม>เดียเด๋ยวมันก็หายอยากเองก็เมื่อก่อนเราไม่มีเราก็อยู่ได้ถ้าเราจะไม่มีต่อไปมันจะอยู่ไม่ได้เลย แสดงว่าตอนนี้พวกเราติดกันแล้วเนี่ยติดยาเสพติดได้ไม่รู้ตัวห้ามให้คนเขาไปกินซื้ อ, อยาเสพติดกันแต่ตัวเราไม่ห้ามเราตัวเราก็ติดเหมือนกันติดโทรศัพท์มือถือติดนู่นติดนี่กันเหมือนกันเพราะเราไม่รู้ว่าเราอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรแลวดีกว่ามีอะไรซี่ เพรมีแล้วมันยุ่งมันวุ่นวายเหมือนคนที่ติดยากับคนไม่ติดยาอันเนี้ยใครจะดีกว่ากันคนติดยากับคนไม่ติดยานี่ใครจะสบายกว่ากันออคนไม่ติดยาสบายไม่เดือดร้อนมียาก็ไม่มียาเสพก็ไม่เดือดร้อนคนที่ติดนี่เวลาไม่มีก็เดือดร้อนต้องหาหาไม่ได้ก็เดือดร้อน าอาจจะต้องไปทำบาปทำกรรมเพื่อจะหามาให้ได้เช่นถ้าเงินไม่พอซื้อก็ต้องไปขโมยข้าวของเงินทองถ้าอยู่บ้านก็ขโมยของพ่อของแม่ของญาติก่อนพอก็ไม่ให้อยู่แล้วพารู้เป็นหัวขโมยก็ต้องไปขโมยของชาวบ้านถ้าโชคร้ายถูกตำรวจจับไปก็ทีนี้ก็ทุกข์ก็เลอยู่ในคุกไม่มีอะไรให้เสก นี่แะการเสพสิ่งต่างๆในโลกนี้นําไปสู่ความหายานณะนําไปสู่ความทุกข์ไม่มีวันสิ้นสุดตายไปก็กลับมาเกิดใหม่เพื่อมาหาใหม่เนี่ยเนี่ยชาตินี้ของที่เรามาเกิดนี่มันเป็นลํำดับที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นับจํานวนไม่ได้เพราะว่ามันมากมากอย่างไรก็ลองดูน้ําในมหาสมุทรนี่มันมากไหมล่ะ น้ำตาที่เราหลังมาเนี่ยมันมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรเสียอีกทั้งที่เรามาเกิดนี่เราต้องร้องไห้กันเถะบ่าเราลองเอาน้ํน้ตาที่เราร้องนี่มารวบรวมกันดูในแต่ละพบแต่ละชาติที่เรามาเกิดนี่มันมีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรเสคิดดูกันละกันว่าเรามามาทุกข์กันไม่รู้กี่กี่แสนล้านครั้งละกี่แสนล้านพบล้านชาติละ แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ได้มาพบกับธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้มากาเลนะธรรมะสวาไม่ได้มาฟังธรรมตามการตามเวลาตามเวลาก็คือเวลาที่เขามีแสดงธรรมเนี่ยก็เรียกว่าตามการตามเวลาเวลาของเราว่างก็เรียกว่าตามการตามเวลาเวลาไหนที่เราว่างแล้วเวลานั้นมีการแสดงธรรมเราไปฟังธรรมก็เรียกว่า กาเลนะตามการตามเวลาสมัยนี้มีการแสดงธรรมยีบสี่ชั่วโมงเลยสบายมากอยากจะฟังธรรมเมื่อไหร่นี้มีสื่อต่างๆหนังสือก็เป็นการแสดงธรรมอย่างหนึ่งอ่านหนังสือธรรมะนี่ก็เหมือนกับฟังเทศฟังธรรมเหมือนกันเปิดซีดีก็เหมือนกันเปิดมือถือก็เหมือนกันอย่างนี้มีธรรมะตลอดย4บสี่ชั่วโมง วิเศษมากเลยสาหรับคนที่ชอบธรรมะนี่ไม่มียุคไหนที่จะวิเศษเท่ากับยุคนี้สมัยพุทธกาลนี่ต้องรอวันพระนู่นหรืออย่างน้อยถ้ามีพระพุทธเจ้าท่านก็แสดงธรรมทุกวันพระพุทธเจ้าของเรานี้แสดงธรรมทุกคืนทุกวันตอนบ่ายแสดงธรรมให้กับญาติโยมตอนค่ำแสดงธรรมให้กับภิกษุสามเณรตอนเด็กแสดงธรรมให้กับเทวดา เทวดาก็มาฟังธรรมนะใครว่าไม่มีเทวดาไม่มีเทวดาแล้วพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมให้ใครนะแม่พระพุทธเจ้าที่ตายไปก็ไปเป็นเทวดาไม่ใช่เนะี่ยที่ท่านแสดงธรรมให้เทวดาพ่อแม่ของท่านเป็นเทวดาท่านก็เลยไปโปรดเทวดาเทวดาก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้ถ้ามีคนสอนแม่ของท่านก็บรรลุเป็นพระโสดาบัน เป็นพระอาริยบุคคลขั้นที่หนึง่งถ้ามีคนสอนนี่บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้พวกเทวดานี่ <c oughs> เทวดาก็ไม่ต่างจากเราต่างกันตรงที่เขาไม่มีร่างกายอยา่างเหมือนเราเท่านั้นเองแต่ใจเขากับใจเราก็เหมือนกันล่างทิพย์ของเขากับของเราก็เหมือนกันและตอนนี้ผู้ที่ฟังทำก็ไม่ใช่ร่างกายเป็นผู้ฟังร่างกายเป็นเพียงสื่อเป็นตัวเชื่อม เชื่อมเสียงทําให้ไปสู่ใจนั่นเองสําหรับพระพุทธเจ้านี่เวลาแสดงธรรมให้กับเทวดาไม่ต้องใช้ร่างกายเหมือนกับเราที่เราสองคนนั่งคุยกันตรงนี้ได้โดยที่ไม่ต้องใช้มือถือเพราะเราอยู่ใกล้กันพูดกันได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราอยู่คนละที่อยู่ไกลกันเราอยากจะคุยกันเราก็ต้องมีโทรศัพท์มือถือเนี <c> ่ย <oughs> ตอนนี้ใจของเรากับใจของพวกเราเนี่ย มันอยู่ไกลกันต้องอาศัยร่างกายเป็นตัวเชื่อมถึงจะคุยกันได้<ม>แต่เวลาไม่มีร่างกายนี้<ม>ใจกับใจก็สามารถติดต่อกันได้โดยตรง<ม>ถ้าใจเรามีพลังที่จะไปติดต่อกับใจของผู้ที่ไม่มีร่างกาย<ม>คือพวกเทวดาทั้งหลาย<ม>พระพุทธเจ้ามีพลังใจพลังจิต<ม>สามารถ ส่งกระแสจิตไปติดต่อคุยกับเทวดาได้ <c oughs> นี่คือธรรมะกาเลนะธรรมะสวนังสมัยพุทธกาลนี้ต้องรอมีพระพุทธเจ้ามีพระอรหันต์ท่า น, นันหะท่านถึงจะแสดงธรรมได้บ่อยถ้าไม่มีก็ต้องอาศัยแบบสมัยโบราณก็วันพระถึงจะมีพระเทศสักครั้งหนึ่ง ไปวัดกันในวันพระไปทาบุญใส่บาตรไปฟังเทศฟังธรรมกันสักครั้งหนึ่งฟังหนเดียวเจ็ดวันกลับมาฟังลืมละจำไม่ได้ธรรมะนี่ต้องฟังบ่อยๆศึกษาบ่อยๆวันละชั่วโมงนี่กำลังดีสมัยที่เราบวชนี่ก่อนบวชเราก็อ่านหนังสือธรรมะทุกวันควบคู่ไปกับการปฏิบัติทุกวันต้องอ่านหนังสือ อ่านแล้วมันทําให้เกิดความเข้าใจดีขึ้นพอไปบวชไปอยู่กับครูบาอาจารย์ก็ยังอ่านอยู่เพราะครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ว่างที่จะมาแสดงธรรมให้ฟังทุกวันท่านก็สี่ห้าวันก็เรียกประชุมมาสอนธรรมะครั้งหนึ่งพราะท่านก็มีภา ร, รกิจอย่างอื่นที่ต้องทำํำเราก็อาศัยอ่านหนังสือธรรมะของท่านไปเนี่ยหนังสือประวัติพระอาจารย์มั่นปฏิปทาเนี่ยเราอ่านหมดแล้ว สมัยที่อยู่วัดป่าบ้านตาหนังสือของท่านมีเกจเล่มเอามาอ่านไวเอาวันละชั่วโมงคือไม่อ่านมากเพราะมันอ่านมากมันก็จะไม่ได้ปฏิบัติต้องแบ่งเวลาให้การปฏิบัติส่วนใหญ่ความการปฏิบัตินี้สำคัญการอ่านการอ่านการเรียนรู้ก็สำคัญแต่ไม่ต้องไม่ต้องอ่านมากเกินไปอ่านแล้วเดี๋ยวมันก็จาไม่ได้มันลืมอ่านพอพอ พอกำลังกับความจำของเราแล้วเราก็สลับกับการไปปฏิบัติมันก็จะไม่หลงไม่ลืมว่าเราต้องปฏิบัติอะไรต้องทำอะไรมันจะไม่ลืมมันจะรู้ว่าสิ่งที่เราต้องทำมากที่สุดสาคัญที่สุดก็คือสติเราต้องเจริญสติให้มากเจริญสติให้บ่อยเจริญสติตลอดเวลา ต้องควบคุมความคิดให้ได้เพราะความคิดนี่แหละเป็นตัวที่ผลิตความสุขหรือความทุกข์ถ้าคิดไปในทางกิเลสก็ทุกข์คิดไปในทางธรรมก็สุขแต่ถ้าเรายังหยุดไปไม่ได้เราจะสั่งให้มันไปไปในทางธรรมนี่มันไปไม่ได้เพราะฉะนนี้มันจะไปแต่ทางของกิเลสทางของอวิชชาอวิชชาก็หัวหน้าของกิเลสคือความงอ ความโง่นี่แหละเป็นตัวที่ผลิตกิเลสความโลภความอยากต่างๆความฉลาดนี้จะไม่ผลิตความโลภความอยากเพราะรู้ว่าความโลภความอยากนี่มันเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจพอโลภพออยากแล้วใจร้อนใจทุกข์ขึ้นมาพอหยุดความโลภความอยากได้ใจเย็นใจสบายดัยงนั้นคนที่มีปัญญาจะไม่โลภจะไม่อยากคนที่โลภที่อยากนี่แสดงว่าเป็นคนโง่ ไม่รู้ว่ากําลังสูบไฟเผาหัวใจของตัวเองพอโลภแล้วมันอยู่เป็นสุขไหมอยู่เฉยๆได้ไห ม, ไหมกังวลกังวายกระสับกระสายมันจะได้หรือไม่ได้นะเมื่อไหร่จะได้ทันทีพอไม่มีความโลภก็ไม่ไม่มีความกังวลกังวายสบายแต่ไม่รู้กันกลับไปเห็นความโลภว่าเป็นสิ่งที่ดีโลภแล้วจะได้สิ่งที่เราอยากได้ถ้าไม่โลภแล้วเราจะไปได้หรือใช่ไห ม, ไหม ได้มันก็ได้สิ่งที่อยากได้แต่มันได้ของแถมมาด้วยได้ความร้อนใจความทุกข์ใจที่มองไม่เห็นคิดว่าได้สิ่งที่เราอยากได้มาแล้วจะทำให้ใจเราสุขมันไม่สุขมันกลับร้อนมันกลับทุกข์มากกว่าสุขเพราะไม่มองที่ใจกันไปมองที่สิ่งที่เราอยากได้พอได้มาแล้วก็ดีใจกับสิ่งที่เราได้มาแต่เวลาที่ อยากนี่ไม่เห็นว่ามันร้อนใจกำลังร้อนอยู่ไม่เป็นสุขแล้วเวลามันหมดก็ร้อนขึ้นมาอีกเพราะต้องอยากขึ้นมาใหมา่นี่คือการหาความทุกข์เพราะไม่รู้ความจริงของใจว่าใจนี้สุขได้อย่างไรทุกได้อย่างไรพระพุทธเจ้าเนี่ยสองคนเพราะว่าใจสุขเพราะไม่โลภไม่อยากใจทุกข์เพราะโลภเพราะอยาก จะมาสอนให้พวกเรามาหยุดความโลภหยุดความอยากกันด้วยการหยุดความคิดหยุดความคิดได้ใจก็จะสงบหยุดความอยากได้ชั่วคราวพอเผลอปล่อยให้คิดขึ้นมาก็จะคิดไปในทางความอยากอีกถ้าอยากจะให้มันไม่คิดไปในทางความอยากก็ต้องใช้ปัญญาสอนมันว่าการคิดไปในทางความอยากนี้เป็นการไปหาความทุกข์กัน พอสอนมันแล้วมันเข้าใจต่อไปมันก็จะไม่กล้าคิดไปในทางความโลภความอยากออกไปถึงไม่จะเผลอจะคิดยังไงมันก็จะไม่คิดไปในทางความอยากเพราะมันรู้แล้วว่าคิดไปในทางความอยากคิดไปในทางความโลภทำให้ใจร้อนทำให้ใจทุกข์แต่ถ้าเราไม่มี ใจที่สงบก่อนนี้เราจะไม่เห็นความแตกต่างระหว่างเวลาที่ใจโลภ ก, กับไม่โลภว่าเป็นอย่างไรเราจึงต้องมาทําให้ใจมันหยุดโลภชั่วคราวก่อ น, นเวลานั่งสมาธิใจสงบปั๊บความโลภ ก, ก็หายไปความสุขก็เกิดขึ้นมาทันทีทีนี้เราจะเห็นและออตอนนี้ไม่มีความโลภใจสุขอย่างนี้เองแล้วเดี๋ยวออกจากสมาธิมาพอโลภอยากจะดื่มกาแฟขึ้นมาเนี้ย ใจก็ร้อนขึ้นมาทันทนนีพอรู้แล้วว่าความโลภอยากดื่มกาแฟทำให้ใจร้อนก็อย่าไปดื่มมันด้หยุดความโลภนั้นเสียไม่ดื่มเปลี่ยนใจทุาอย่างก็จบไม่เอาก็ได้ไม่ดื่มก็ได้เมื่อกี้เราไม่ได้ดื่มมันเห็นเดือดร้อนเยตอนที่เราอยู่ในสมาธิไม่เห็นเดือดร้อนเลยทำไมาตอนนี้ออกมาจากสมาธิแล้วจะมาจะมาท่านความเดือดร้อนให้กับตัวเราทำไม ใครเป็นตัวสร้างความเดือดร้อนก็วความอยากดื่มกาแฟนี้เองก็เลิกดื่มเหมือนกันนั้นเองไม่ดื่มมันเฟืองมันไปไม่กี่ครั้งเดี๋ยวมันก็มันก็หมดกําลังไปเอาไปความอยากต่างๆมันก็จะหมดกำลังไปด้วยปัญญาต้องรู้ว่าการทําตามความอยากนี้เป็นการเสริมความร้อนให้กับใจไม่ใช่เสริมความเย็นเสริมความทุกข์ให้กับใจไม่ได้เสริมความสุขให้กับใจ การไม่ทำตามความอยากนี่แหละเป็นการเสริมความสุขเพราะความอยากมันก็จะมันก็จะหมดกำลังไปคนที่เขาติดบุหรี่ติดอะไรทำไมเขาเลิกได้เพราะเขาไม่ไปทำมันเพราะเขารู้ว่าทำแล้วมันทุกข์มากกว่าไม่ทำก็เลิกได้เพียงแต่ช่วงที่จะเลิกมันทรมานใจนั่นเองถ้าไม่มีสมาธิมันก็จะบางทีสู้ไม่ไหว แต่ถ้าเรามีสมาธิเราทําใจให้สงบเป็นพอใจทรมานแล้วก็ทําใจให้มันสงบสิเราเคยนั่งสมาธิได้แล้วก็ไปนั่งเวลาอยากดื่มกาแฟแล้วมือไม่สัน่นก็ไปพุโทโธพุโทโธนั่งสมาธิเดี๋ยวเดียวมันก็สงบมันก็หายสันนะ่นแล้วต่อไปมันความอยากมันก็จะเบาลงไปเบาลงไปทุกครั้งมันมาเราก็ไม่ไปดื่มมันนะไม่ไม่ไม่เกินสิบครั้งนี่มันไม่กลับมาแนละ้วใช่ไหมความอยากจะดื่มกาแฟ แต่เราชนะมันสิบครั้งมันไม่มาลนะมันยอมแพ้ลนะแต่เราไม่เคยชนะมันแม้แต่ครั้งเดียวพอมันสั่งให้ดื่มก็ดื่มทันทีพอไม่มีดื่มก็ต้องไปหามาดื่มแล้วเลยไม่เคยชนะมันลองเอาชนะมันดูดิลองเอาเลือกเลือกอะไรก็ได้ของที่เราอยากอยากนะี่ลองตัดมันไปทีละตัวสองตัวแล้วดูผลว่าเวลาชนะมันแล้วใจเราสบายไนหะ อยากดูอะไรก็ลองอย่าไปดูมันติดละครลองเลอกดูมันละครเรื่องนี้ไม่ดูมันลองเลือกดูสักเลิกหนึ่งก่อนก็ได้ <S <S อยากไปเที่ยวที่นู่นที่นี่เลือกไปสักครั้งหนึ่งดูจะมันจะตายไหมอยากจะซื้ออะไรใหม่ๆมาใส่โดยที่ของเก่าก็มีอยู่เยอะแยะแล้วลองอย่าไปซื้อมันสักพักหนะึ่งลองฝืนมันไปดู แล้วต่อไปความอยากต่างๆมันจะเบาลงไปเองอันนี้ต้องต้องปฏิบัติมันถึงจะได้ผลถึงจะเห็นผลดังนั้นการที่จะปฏิบัติได้อย่างได้อย่างมีผลนี่ต้องทําใจให้สงบก่อนใจสงบแล้วจะมีกําลังสู้ความอยากจะไม่ทรมานเวลาเกิดความอยากขึ้นมาเพราะเวลาทรมานเราก็หยุดมันได้ เวลามือไม้สั่นใจสั่นก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปดูลมหายใจไปเดี๋ยวก็นิ่งแล้วเดี๋ยวก็หายสัน่นแล้วพอความอยากมันหยุดปั๊บใจก็เบาสบายขึ้นมาตั้งปฏิบัติเนี่ยเราจึงต้องมาหยุดที่เราต้องมาหยุดตัววิชาแก้กตัววิชาตัวแรกตัวที่ทําให้เราปรุงแต่งไปหา ลาบยศสารเสวนปรุงแต่งไปหารูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยถ้าเราไม่มีธรรมะเราจะไม่รู้ว่าทําไมเราไม่ควรไปหาลาบยศสารเสวนทําไมไม่ควรไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายเพราะทุกๆคนเห็นว่ามันดีทั้งนั้นอ่ะไม่มีใครว่าไม่ดีหาเงินไม่ดีเหรอหาตําแหน่งไม่ดีเหรอเป็นเจ้านายไม่ดีเหรอเป็นใหญ่เป็นโตไม่ดีอทุกคนหากันอยู่ทุกคนแต่ก็ไม่เห็นส่วนที่ไม่ดี ส่วนที่ไม่ดีก็คือใจนอนกายหน้าผากตีงกายหน้าผากกันนอนไม่หลับกันพวกผู้บริหารทั้งหลายพวกที่เป็นใหญ่เป็นโตนี้กูไม่รู้พรุ่นี้กูจะถูกเขาปวดหรือถูกเขาไล่ไปเมื่อไหร่นอนเวลานอนหลับมันไม่สบายใจหรอกมันไม่ได้ทาให้ใจสงบราบยศจันทรเสริญสุขนี้ไม่ได้ทำให้ใจสงบมันจะทาให้ใจเครียด ยิ่งมีมากยิ่งเครียดมากยิ่งทุกมากแต่ไม่เราไม่รู้กันเราถึงต้องมาฟังคนที่รู้คือพระพุทธเจ้าเอาวิชามาแก้เอาวิชาเอาควา ม, มเอาเอาความรู้มาแก้ความไม่รู้มาสอนเอาเอาคนฉลาดมาสอนคนโง้อพูดง่ายๆเ๋ย<ม>พวกเราเป็นเหมือนเด็กนักเรียนเราไปโรงเรียนกันเราไปเรียนจากครูใช่ไหมครูเขารู้มากกว่าเรา ครูเขาอ่านได้เขียนได้เรายังอ่านไม่ได้เขียนไม่ได้ครูเขาก็จะสอนวิธีอ่านหนังสือวิธีเขียนหนังสือให้กับเราให้เราฝึกหัดเขียนกอไก่เขียนขอไข่เขียนอะไรไปให้หัดเขียนไปหัดสะกดไปอันนี้ก็เรียนไปปฏิบัติไปในตัวถ้าเรียนแล้วไม่ไม่ปฏิบัติก็เดี๋ยวก็เขียนไม่ได้ต้องเขียนต้องทําอันนี้ก็เหมือนกันพระเจ้าบอกให้มาหยุดคิดะ หยุดสังขารเราก็ต้องปฏิบัติใช้สติหยุดใช้พุทธโธพุทธโธหยุดความคิดพอหยุดความคิดแล้วใจจะสงบมีความสุขพอสุขแล้วทีนี้เราก็จะเห็นโทษของการไปหาลูกเสียงกลิ่นรสว่ามันวุ่นวายหนาะคนที่เขาจะออกบวชกันนี่ด้สมัยพุทธกาลเขาบอกว่าชีวิตของคารวา น, นี่มันวุ่นวายหนอไปบวช ด, ดีกว่า ไปบวเพื่อไปหาความสงบไปหาความสุขที่แท้จริงความสุขของคารวะ น, นี้เป็นความสุขที่วุ่นวายใจสุขทางกายได้กินได้ดูได้ฟังแต่วุ่นวายใจเครียดนี่คือเรื่องของธรรมะการฟังเทศฟังธรรมตามการตามเวลาฟังแล้วไม่เข้าใจก็ถามต่อ ทีนี่เลยมีสองตอนตอนแรกมีการแสดงธรรมฟังธรรมกันตอนที่สองก็มีถามตอบปัญหากันได้สองเด้งเหรอไหมการเลนะธรรมสวังการเลนะธรรมสากรฉายังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวขอให้พูดให้จบก่อนเดี๋ยวยังไม่ถึงเวลาเอ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเก็บคําถามไว้ก่อน อ่าอยากจะถามก็ได้อ่ะถามเรื่องสัญญอด้วยต้นนะอาจารย์ถ้าเราละละละปัญยาที่จิตได้เนี่ยมันจะเส้นวิจิตวิจิตรฉะทีนี้ตัววิจิตรฉาประเภทมันแค่แค่ตัวเดียวกับที่เป็นนิวรู้ป่ะวิจิตรฉาก็คือความโง่ไงความไม่รู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราแต่ตัวที่เป็นเป็นเครื่องก้างการปฏิบัตินี่คือตัวเดีกันรู้ป่ะอ๋อนั่นคนละตัวกันเพระไปใช้คําเดียวกันก็เลย มันก็คล้ายกันเพียงแต่ว่ามันไอตัวตัวแรกนี้ตัวที่เป็นนิวรนี้มันทําให้เราลังเลสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติว่าปฏิบัติแล้วได้ผลหรือเปล่าถ้าดูแล้วมันย้อนแย้งว่าพอปฏิบัติมาถึงจะมาถึงจะสิ้นความสงสัยแต่ว่าพอในคำพูดบอกว่าถ้าอย่าสงสัยก็ไม่ต้องปฏิบัติคือส ง, สงสัยในการปฏิบัติว่าปฏิบัติแล้วจะได้ผลได้ความสุขอย่างที่เขาบอกหรือเปล่า อันนี้ก็ต้องเชื่อใช้ศรัทธาไปหาพระที่เขาปฏิบัติแล้วก็ยืนยันนอนยันว่าปฏิบัติแล้วได้ผลดีมีความสุขเนี่ยเราถึงไปหาครูบาอาจารย์ไปหาพระพุทธเจ้ากันเพราะพวกนี้เขาจะยืนยันนอนยันว่าปฏิบัติไปเถิดได้ผลได้ความสุขแน่ๆอันนี้แก้นิวร น, นิวรณ์ที่จะมาขวางการปฏิบัติแล้วไม่ให้เราไปปฏิบัติ ปฏิบัติแล้วมันได้นั่งสมาธิพุโทโธพุโทโธ ม, มันจะมีความสุขยังไงสู้ดูหนังฟังเพลงสนุกกว่าเยอะแยะพุโทโธได้สองคำพอไม่ไมสงบ ก, ก็ไปเลยดูหนังฟังเพลงดีกว่าอันนี้เรียกว่าไม่เชื่อมีความสงฆไม่ไม่เชื่อในในในคำสอนว่าจะไม่เชื่อในการปฏิบัติว่าจะทำให้เราเกิดผลขึ้นมาดังนสงสยัย ว่าปฏิบัติแล้วจะได้ผลอะไรสู้ดูหนังฟังเพลงไม่ได้นั่งเล่นไพ่ดีกว่านั่งพุโทโธพุโทโธแล้วอึดอัดขึ้นมาในใจอันนี้ถ้าไปถามคนที่ก็ททำมาแล้วเขาบอกเอ้ยนั่งไปเถอดทนอมันจะอึดอัดเดี๋ยวมันก็หายอันนี้ก็เป็นการแก้งนิวน้วอนส่วนการปฏิบัติจนมีดวงตาเห็นธรรมนี่มันจะเห็นพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์ในใจ อันนี้มันจะไปแก้สังโยชน์ที่วิจิตรเกศาการที่ว่ายัางไม่มั่นใจว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่มีจริงหรือเปล่าออพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าเพราะมันไม่มีใครเห็นพระพุทธเจ้านี่มีใครเห็นไหมไ ป, ไ ป, ไ, ปไปที่ประเทศอินเดียก็ไม่เห็นเห็นแต่ซากกราหลัหลักพังเห็นที่เขาว่าพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เกิดตรงนี้สแสดงธรรมตรงนี้แต่ไม่มีหลักฐานอะไรนอกจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ว่าจุดนี้ในสมัยนั้นมีชื่ออย่างนี้ชื่ออย่างนี้ก็ยืนยันได้บางส่วนแต่มันไม่ชัดเจนร้อยเอร์เซนต์คนไปอินเดียมันก็ยังไม่มั่นใจจริงๆว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแมนแต่สมัยนี้คนยังมีคนบอกเลยที่ฝรั่งส่งยานอาวกาศไปลงส่งคนไปบนโลกพระจานนี้ก็ยังคิดว่ามันไม่ใช่เป็นความจริงเลย คนมันจะคิดมันไม่เชื่อตัวอย่างมันก็ไม่เชื่อเราให้พาไปอินเดียมันก็ไม่เชื่อแต่ถ้าปฏิบัติธรรมแล้วเห็นธรรมในใจปรากฏขึ้นมาเห็นอริยาศาศาสัจสี่ปรากฏขึ้นมาในใจมันจะหายสงสัยเพราะว่าอริยาาสัจสี่นี้ใครเป็นคนแสดงใครคนเป็นคนมามาสอนก็เพราะพระพุทธเจ้าเร า, าเราตอนนี้เราไม่เห็นเห็นในใจแล้วปเปล่าเห็นอริยาาสัจสีในใจแล้วเปล่ายังไม่เห็นใช่ไหม ไม่รู้ว่าเป็นอะไรถ้าเห็นแล้วมันจะเชื่ออ๋อนี่พระพุทธเจ้าเป็นคนสอนไอ้ตัวนี้ว่ามันอยู่ในใจเราเราก็เชื่อเราก็เชื่อว่าคนที่เห็นนี่ก็คือพระสงค์นี่ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือผู้เห็นธรรมนี่ก็คือพระสงค์ก็เลยหายสงสัยในพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์ถ้าถ้าละวิจิกิจฉะถ้าละไอ ถ้าถ้าเห็นธรรมมันจะละไอไะ้สามตัวนี้ได้ละสังโยสถ้ามตัวนี้ได้ท่านทีพระสดานันท่านก็จะไม่มีไม่มีนิวรณ์ตัวตรงนี้เลยใช่ไหท่านอ่าสนิวรณ์แค่สี่ตัวท้งหอ๋อถ้าไม่นิวรณ์ต่างๆนี้ถ้าไม่ท่านผ่านนะละท่านได้สมาธิท่านได้สมาธิท่านได้ปฏิบัติธรรมท่านเกิดเลยเลยขั้นนิวรณ์ไปแล้วนิวรณ์ไม่มีแล้วอื ท่านภาวานาเดินจงกรมนั่งสมาธิตลอดเวลาอยู่แล้วมีแต่ท่านจะไปสูงกว่านั้นไปจากสังโยชน์สามข้อแรกก็ไปสู่สังสังโยชน์อีกสองข้อคือการมาราคะกับปฏิฆะการมาราคะก็คือความอยากเสพกามนี่เองอยากร่วมหลับนอนกันก็ต้องดูคู่นอนของเราว่ามันเป็นผีหรือเป็นคน คิดถึงตอนนี้มันเป็นถิเราอยากจะร่วมหลับนอนเหมือนป่ะมันเป็นคนก็อยากจะนอนกับมันพอมันไม่หายใจแล้วอยากจะนอนกับมันหรือเปล่ายกให้สับเปล่าเลยใช่ไหมลักขนาดไหนก็ตอนนี้ไม่เสียดายแล้วพอไม่หายใจนี่เอาไปเลยสับเปล่าแต่ถ้ายังหายใจอยู่ห้ามแตะยังไม่เห็นใช่เพียงแค่นี้ก็ไม่เห็นแล้วระหว่างความเป็นกับความตายคนเป็นกับคนตายก็มองไม่เห็นแล้ะ เห็นแต่เป็นอยู่เรื่อยๆพอตายก็ลืมคนเป็นไปเลยพอคนเป็นตายไปคนที่เคยเป็นก็หายไปเลยจําไม่ได้นะไม่เอาละเพรากลายเป็นคนตายนะแต่ตอนที่เป็นนี้กลับไม่เห็นคนตายท่านนึงให้มาสอนให้หาเห็นคนตายบ้างคนตายกับคนเป็นก็คนเดียวกันนี่แหละใช่ไหมเรานอนกับคนเป็นคนตายเนี่ยแต่เราไปคิดว่ามันเป็นเราเลยนอนกับมันได้ อเราไปคิดว่ามันตายเราก็นอนกับมันไม่ได้ก็เท่านี้แหละวิธีละความอยากในการอยากร่วมหลับนอนกันถ้ามองเห็นร่างกายของคนที่เราจะนอนด้วยนี่กลายเป็นซากศพไปนี่เราก็จะไม่อยากนอนกับเขา น, ะนึกถึงเขาตายวันหนึ่งตายสามวันศพขึ้นเอืดพองขึ้นมาเน่าเฟะแตกออกมาอาวั ย, ยวะอะไรต่างๆ น้ำเนื้ออะไรไหลออกมากลิ่นเหม็นฟุ้งยังอยากจะไปนอนกับร่างกายนี้กรับนี่คืออสุภะให้พิจารณาร่างกายที่ไม่สวยงามแล้วมันจะทำให้เราหยุดการมารมได้หยุดความอยากร่วมหลับนอนกับคนอื่นได้พอหยุดได้ปฏิฆาความหงุดหงิดใจมันก็ดับไปมันมาคู่กันเวลาเกิดการมารมมันก็หงุดหงิด มันก็เลยต้องไม่คลายความหงุดหงิดด้วยการร่วมหลับนอนกันพอหลับนอนแล้วก็หายหงุดหงิดแต่หายชั่วคราวเดี๋ยวก็เกิดขึ้นมาใหม่เกิดความอยากขึ้นมาใหม่ถ้าไม่ต้องการให้มันเกิดความอยากต้องมองให้เห็นว่าคู่นอนของเรานี่เป็นศพถ้าสมมติเขาเป็นศพเรายังอยากจะนอนกับเขาอยูหรือเปล่ามันก็จะทํำให้ไม่นอนไม่เอานะนอนกับศพดีๆนี่เองอันนี้ก็จะกําจัดสังโยชน์ไป เรื่อยๆตัวที่ดึงให้เรามาเกิดก็ตัวนี้แหละการมาราคะเนี่ยก็มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเ พ, เพราะเรายังเด็กอยากจะเสพการกันอยู่พอตัดตัวนี้ได้แล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ติดต่อไปนี่ก็ยังต้องไปฆ่ากิเลสที่ยังเหลืออยู่ในใจที่เป็นส่วนละเอียดที่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เกี่ยวกับร่างกายแนละ้วเกี่ยวกับใจเกี่ยวความคิดปรุงแต่ง ก็ต้องไปหยุดความคิดปรุงแต่งที่มันเห็นผิดเป็นชอบเห็นตัวตนในสิ่งที่ไม่มีตัวตนต่อไปมันก็จบพอมันไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วใจมันก็จะไม่มีความอยากที่จะมาเกิดอีกต่อไปตอนนี้หมดช่วงแรกก็ขออนุโมทนาให้พรก่อน ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตชินังเปตานังอ oh ุปการปติอิทธิต e ่างปฏทที um ่ตังตุมหังกิปเมวะสมิจจตุสัพเพโุเลนตุส so ังกะปาจันโทปนะระโสยะามณิโชติ ภราสุยถาสภิติโยวิวาชนตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตะวันตราโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนศีลิสะนิจจางวุธาปจายโนจตารโหธรรมาวัฏฐานติอายุวโนสุขัง อาลาสุส อ, อยากจะถามอะไรือว่าจะ่ขาวว่าทำไมตอนเด็กผชอบเข้าวัดนะครับก็นี้ขึ้นผมไม่อยากเข้าเลยไม่รู้ทำไมและนี่เป็นครั้งแรกที่ผมมาแล้วผมก็รู้สึกว่าผมเปลี่ยนไปหรือเปล่าก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไงไบางทีอารมณ์มอยากจะเข้าวัด อารมณ์เก่าอยากจะเข้าวัดพอโตขึ้นกิเลนแรงด้วยมันก็เบื่อมันก็อยากจะไปอย่างอื่นแทนก็ไม่เชิญนะอาจาผมผมมันก็ต้องมีเหตุทําไมไม่เข้าวัดอาจจะไปเข้าวัดที่ไม่ถูกใจอ่ามันก็มีอีายหลายอย่างก็เลยไม่ชอบไปก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทาไมก็เป็นมันก็ต้องมีเหตุแล้วผมก็เลยคนหาตัวเองม่เจอว่จริงๆแล้วผมเดือนที่เดือนที่ ชาติก่อนเคยเข้าวัดติดนิสัยมาแต่พอมาชาตินี้มาเข้าวัดแต่ไปเจอวัดไม่ดีเข้าก็เลยเสื่อมศรัทธาได้ตัววัดนี่มีปัญหาครับก็นั่นแหละต้องมีอะไรในวัดที่ทำให้ไปไปก็เลยรู้สึกว่าทำไมมาในวัดเหรอยัง ไ, ไงมไม่เจอมานะ้าครับก็ก็ส่วนใหญ่ก็คงเป็นบุคคลครั้ที่สอนแบ ข อ, อเล่แนแบบนปลกๆแล้วข้อมูลก็แบบอเอ๊ะทำไมมีแบบนี้หรือว่าไม่ว่าจะเป็นข่าวหรืออะไรเงี้ยทําทไมวัดยังมีการแบบมีแบ่งช้นชั้นวันนะหรืออะไรเงี้ยผมก็รู้สึกเอ๊ะไม่ต่างอะไรกับคนทั่วไปเลยว่ะมผมก็เลยรู้สึกว่าการเข้าวัดของผมเนี่ยมันมันช่วยอะไรผมหรด้วาหรือว่าผมน้นจะต้องเลือกวัดที่จะ เ, เข้าหรือหรื อ, ร อ, อยังไงทําไมผมเข้าวัดไม่ได้เลยหรือยังไง ก็ต้องเลือกอะเพราะว่าวัดก็เหมือนกับสถานที่ศึกษา ม, มันก็มีคุณภาพแตกต่างกันไปทํำ uh huh. ไมนคนถึงเลือกเข้ามาหาลัยระดับต้นๆทำไมไม่ไปเลือกเอาปลายๆเพราะผลมันได้ต่างกัน uh huh. วัดก็เหมือนกัน uh huh. วัดที่อยู่ระดับต้นๆก็มีระดับปลายๆก็มีและไม่ใช่อะไรก็เข้าถึงยากด้วยนะ วัดที่ระดับต้นๆมันอยู่ไกลจากบ้านเมืองไงวัดดีๆในส่วนให ญ, ญ่ไปอยู่ตามป่าตามเขาออันเบางทีพระที่อยู่ในเมืองก็เห็นมีชื่อเสียงจบเรียนทำนู่นี่นั่นแต่พอจะเข้าถึงเข้าไม่ถึงอต้องแบบมีคิวผมก็เข้าใจว่ามันยังไงกันแน่เนี่ยสรุปว่าผมเดี๋ยวนี้การเพว่าวัดกลายเป็นเหมือนสิ่งที่ไม่สามารถเข้าได้ถึงง่ายสมัมยก่อนหรื อ, อยังไง ก็แล้วแต่วัดที่เราไปบางวัดก็เข้าง่ายอย่างที่นี่ก็มาได้ทุกวันบ่ายสองโมงวัดเปิดให้เข้ามาได้แต่ก็ต้องเห็นใจพระถ้าจะไปเข้าหาทีละคนทีละคนมันก็ต้องเข้าคิวหากันเหมือนกันแต่ถ้าจะมาแบบนี้ก็มาทีก็พร้อมๆกันนี้ก็มาได้ไม่ว่าใครคนใหญ่คนโตคนเล็กคนอะไรก็เข้ามาได้เหมือนกันเวลาเดียวกัน มองว่าเขาไม่ได้เขาไม่รู้จักวิธีจัดตารางของเขาเขาก็เลยจัดเป็นคิวคิวก็เลยบางทีมีคิวใหญ่คิวเล็กกันมันก็เลยอันนั้ม น, ม, น, <อ> น, นมันก็อยู่ที่จิตใจของคนจัดว่ามีธรามหรือไม่มีธรามเลยแล้วพระจริงๆแล้วเราต้องเชื่อในเครื่องรางของขํางครับ อ, อ๋อไม่ต้องเชื่อเลยเครื่องหรางของขลังไม่ใช่คําสอนของพระเจ้าพระเจ้าสอนให้เชื่อกรรมเชื่อกฎแห่งกรรมทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่ว mm hmm. เครื่องราของขลังเป็นความหลงที่เข้ามาแทรกในศาสนาเกิดจากการที่ไม่ได้ศึกษาคําสอนคนที่มาบวชก็ไม่ศึกษาแล้วก็ไปเชื่อตามที่เขาหลงเชื่อกันมาก็เลยเอามาเป็นมันก็เป็นเครื่องมือหากินไป มือนเดิมข่าวที่โฆษณากันนะอันนี้ดังหารายได้เข้าวัดกันก็เพราะว่าไม่มีอะไรจะให้ดึงดูดคนเข้าวัดก็เลยต้องอาศัยเครื่องรางของขังเพราะญาติโยมที่ไม่รู้เรื่องก็หลงเชื่อเรื่องเรื่องเครื่องรางของขังายวัดก็อยากจะได้เครื่องรางของขังก็เลยเป็นช่องของคนขายกับคนซื้อพอดีคนขายก็เลยมีมีช่องขายได้มีช่องหารายได้ ส่วนาด้ายาวไปใช้ไหนไม่รู้บางทีก็อาจจะไปใช้ทางที่ดีก็ได้ไปช่วยสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างกุติสร้างอะไรไปหรือบางถ้าไม่ดีก็เอาไปใช้ส่วนตัวไปทําอะไรอัน น, นก็แล้วแต่มันก็มีหลากหลายแบบด้วยกันแต่เรื น, นี้ไม่ใช่เป็นแนวทางของพวกพุทธศาสนา พ, พุทธศาสนานี้ท่านให้ใ ห, ใ ห, ใ ห, ให้ให้ธรรมะไม่ให้เครื่องรางของ ข, องของังให้ความรู้ ให้วิชาความรู้ทางธรรมคือเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่เดี๋ยวนี้คนที่มาบวชก็ไม่มาศึกษาไม่ทำหน้าที่ของตนก็มันหน้าที่นี้ถูกทอดทิ้งปล่อยปาะละเลยมานานมาทำาก็บที่ไม่ใช่เป็นหน้าที่มาหาเงินสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างวัดกันสร้างถาวรแล้วัตถุ ก, กัน กินอยู่ของพระนี่จริงผมเคยบวชมาครั้งหนึ่งออที่ผมบวชมาเยอะแล้วตั้งแต่เด็กๆแต่บวชตอนโตครั้งหนึ่งล้วไปเจอแบบทําไมพระอยู่สบายจังทําไมถึงออมีทุกอย่างฟูลออฟชั่นเนี่ยเลยรู้สึว่านี่คื อ, อ, อพระต้องเป็นอย่างนี้เหรอครับคือต้องให้เขาสบายด้วยหรือว่าก็คนไม่ได้ไปดูว่าที่เขาอยู่แบบเออยากลําบากถ้าไปยืนดูพระที่อยู่ตามวัดป่าวัดเขาเนี่ยเขาอยู่กันแบบ สถมถะมากน้อยสันโดษฉันในบาทฉันมือเดียว<ม>บินตบาเดินบินตาบาทก็เดินไกลสี่ห้ากิโลไปกับไปไปหาอาหารที่ได้จากบินตาบาทก็จากชาวบ้านยากจน<ม>ท่านก็ไม่สนใจเรื่องการกินการอยู่ท่านต้องการสร้างสนใจสถานที่มันสงบที่จะได้ปฏิบัติจะได้สร้างธรรมะขึ้นมาใน ใ, นใจ ซึ่งต้งไปอยู่ที่มันห่างไกลจากความเจริญถ้าอยู่ใกล้ความเจริญแล้วมันเรื่องราวมันมากเสียงอะไรต่างๆอุกตึ ก, ษฆฆษษกษษคึกโคมกิจกรรมมันเยอะผูษษ้ที่หวังแสวงหาธรรมเลยต้องไปอยู่ตามแต่งที่ธุระกันดารอาจารย์คเรามันเป็นไปได้เลยหรอที่ทําให้วัดมีมาตรฐานเดียวกันอย่างน้อยเช่นความสะอาดของวั ด, วดสารวัรเนีน่ย ก็เหมือนบ้านของญาติโยมมันมีมาตรฐานเน<ม>ี่ยอ่านั่นมันก็ไม่มีไม่ไมีหน่ว ย, อยางานคบคุมอมีก็มีก็ไม่มีกําลังพอที่จะมามมอก็อยู่ที่แตละวัดที่จะต้องรับผิดชอบไปเองก็ก็มันเป็นเรื่องของกฎของธรรมชาติไปวัาไหนไม่ดีก็ไม่มีใครสนับสนุน<ม>วันไหนดีก็มีคนไปสนับสนุนเองอ่ามันก็เราก็ต้องทำใจว่าเหมือนกับผลไม้ที่อยู่ใน ในตลาดเนี่ยเขามีหลายหลายแบบผลไม้ที่เขาจัดแบบสมบูรณ์สะอาดไม่มีรอยตําหนิไม่มีอะไรเ<ม>หลือบางส่วนก็มีรอยตําหนิเขาก็แยกไว้อีกส่วนหนึ่ง<ม>ขายราคาถูกของแพงของดีก็ขายแพงหน่อยของไม่ดีก็ขายถูกหน่อยสังคมของเราก็มีทั้งคนดีคนไม่ดีปะปนกันไปคนดีไม่ดีก็มาบวช แล้วก็เลยมาทำให้ศาสนาทําให้วัดว่ามีดีไม่ดีไปนั่นเองงั้นก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องของกฎธรรมชาติเลี่ยอย่าไปเห็นวัดไม่ดีวัดหนึ่งแล้วก็ทําให้หมดกําลังใจไม่ทิ้งวัดทั้งหมดไปเหมือนเห็นผลไม้ผลเดียวมันเ น, น่าก็เลยโยนทั้งเข่งทิ้งไปก็เลือกเอาผลไม้ที่ไม่ดีทิ้งไปแล้วก็ผลไม้ดีเราก็เก็บเอาไว้ใช้เป็นประโยชน์ได้วัดที่ดีก็มีวัดที่ไม่ดีก็มี ก็มีถ้าเราไปเจวัดไม่ดีก็อย่าไปก็แล้วกันก็ไปหาวัดใหม่นะต้องใช้เวลาศึกษาเหมือนเข้าโรงเรียนเรียนโรงเรียนนี้แล้วมัไมนไม่ดีสาไม่ดีเรียนแล้วมันไม่ได้ทำให้ฉลาดก็เปลี่ยนโรงเรียนใหม่ย้ายโรงเรียนใหม่ไปแล้พระอ า, าจารย์คาดหวังเน่ยว่าถ้าเกิดวันหนึ่ง เราต้องการสอนธรรมะแล้วต้องคาดหวังว่าต้องให้คนมาเยอะๆเยอะนี้วะหรือว่าไม่หรอกมันเป็นธรรมชาติคือก่อนจะสอนธรรมะได้ต้องมีธรรมะก่อนพอมีธรรมะแล้วคนเขารู้เขาก็มาเองคนที่เขต้องการธรรมะเขาก็มาเองอันนี้ไม่ไม่เรื่องการสอนของคนที่สอนธรรมะถ้ามีธรรมะจริงๆเขาไม่ได้กังวลกับคนมากคนน้อยคนน้อยก็ดีสบายไม่เหนื่อย เอคนหน้าแล้วมันเหนื่อยออ <c oughs> าใจละแบอแต่คนที่ไม่มีธรรมะมันจะมีความโลภความอยากได้หน้าได้ตาได้ลาบได้ยศมันก็อยากให้คนมาเยอะๆมันก็เลยมีลูกร่อลูกเล่นกันโฆษณากัรน้อยแปดพันประการอ๋อเยอะสร้างใจดีเดี๋ยวสร้างวัดเต็มไปหมดนั่นแหะไม่ใช่แล้วถ้าเป็นธรรมะแล้วมันจะไม่มี อ, ตตอวัดก็พอให้มีพระอยู่ตามจํานวนที่สมคว ร, รแล้วก็สถาน ท, ที่ที่ต้องใช้ก็ให้มันเรียบง่ายศาลาก็อย่างเงี้ยพอหลบแดดหลบฝนได้ก็พอไม่ต้องเป็นพระราชวัง อ, อะไอย่างนั้นแต่ทีน่นี้ธรรมเนียมันถูกถูกมันถูกเปลี่ยนไปมามันก็เลยกลายเป็นเดี๋ยววัดต้องสวยงามต้องอต้องอะไรต่างๆขึ้นมา คนไม่ได้ศึกษาธรรมะกันญาติโยมก็ไม่ได้ศึกษาพระที่มาบวชก็ไม่ได้ศึกษาก็เลยไม่รู้ว่าวัดที่แท้จริงควรจะอยู่ในรูปแบบไห น, น mm hmm. ก็เลยไปเชื่อตามกันมาว่าวัดที่แท้จริงต้องสวยงามเป็นแบบวัดพระแก้วเป็นตัวอย่างอันนั้นว่าของพระเจ้าแผ่นดินท่านสร้างทัานมีบารามีก็ควรจะยกเป็นกรณีพิเศษไปแต่ไม่ควรที่จะมาทยอยทยานสร้างตามกันเข้า mm hmm. ใจไหม ควจะสร้างตามเหตุตามผลคือเอามาเพื่อใช้สอยในภารกิจการงานต่างๆมีศาลาไว้หลบแดดหลบฝนจะได้มาฉันอาหารกันมาฟังเทศฟังธรรมกันมานั่งสมาธิกันอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ต้องไปเหมือนเป็นวัดพระแก้วเป็นทุกวัดนะแล้วแต่ว่าไหนมีกําลังมากกําลังน้อยศรัทธาญาติโยมมีกําลังมากกําลังน้อยอยากจะสร้างในรูปแบบไหนก็ปล่อยเขาสร้างไป ศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วลองปฏิบัติเราจะเข้าใจว่าของที่เราเห็นนี่มันเป็นเปลือกของศาสนามันมันไม่ได้เป็นสิ่งที่สําคัญสิ่งที่สําคัญคือเนื้อาศาสนานี่เราเข้าไม่ถึงกันถ้าเราเข้าถึงเนื้อาศาสนาเข้าถึงตัวธรรมะแล้วเราจะเห็นว่าสิ่งที่เป็นเปลือกนี่ไม่ไม่เป็นสิ่งไม่เป็นประเด็นสําคัญเข้าวัดเข้าเข้าห า, าศาสนานี่ควรจะเข้าหาคําสอน ควรจะมัอ่านหนังสือศึกษาฟังเทศฟังธรรมจากแหล่งที่แท้จริงคือถ้าหนังสือพระไตรปิฎกนี่หรือหนังสือของพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครูบาอาจารย์ต่างๆที่ท่านบรรลุธรรมถ้าไดหนังสืออ่านจะได้ได้ธรรมแท้ได้ธรรมแ ท, ท, แท้แล้วจะทำให้เราได้รับประโยชน์คือถ้าเราได้อ่านได้ปฏิบัติตามแล้วจิตใจเราจะดีขึ้นจิตใจเราจะมีความสุขความสงบมากขึ้น ความทุกข์ความวุ่นวายใจาจะน้อยไปแล้วเราจะรู้ว่าศาสนาอยู่ที่ไหนศาสนาอยู่ที่คําสอนอยู่ที่การศึกษาอยู่ที่การปฏิบัติตามคําสอนส่วนถาวรวัตถุนี้เป็นส่วนประกอบมีก็ได้ไม่มีก็ได้ อ, อย่างผ้าสบาห์คือสิ่งทใช่ไหมคะไอ้คเนี้ยบางทีก็สงสัยว่าสมมติคนอยู่ใน การเวลามีการพูดเนี่ยมันจะข้อข้อสี่นากสุดแล้วเวลาไปถึงสินให้ในครอบครัวเนี่ยเราก็ต้องมีคุยรอลคุยเล่นกันเนีอยมันจะเป็นไปได้ดไหรือไม่ใช่เพราะเสดามันท่านมีสติท่านรู้แต่เร า, าจะพูดปวดท่านก็ไม่พูดตอนนั้นเอง แ, แต่แต่แต่ข้อสี่มันไม่ใช่แค่พูดปวดอย่างเดียวมันอาจจะมีคุยหยอกวุยเล่นลอ๋อไม่เป็นไรอันนี้ไม่อันนี้เป็นสีนสูงอันสินแค่ เป็นแค่พูดปดแท่นั้นเองคือพ้อยไม่เป็นไรไม่จำเป็นต้องอันนั้นสําหรับพวกนักบวชพวกที่เขาต้องการรักษาวาจาให้สะอาดให้เรียบร้อยแต่ศินหลักของสินสีก็คือการไม่พูดปดเนี่ยท่านเองเขาจะเป็นน้องแบบพูดไม่พูดเพ้อเจ้อพูดอะไรเขาก็ไม่พูดกันถ้าคนที่มีสติเขาก็ไม่พูดพูดเพ้อเจ้อพูดส่อเสียดพูดคำหยาบนี่มันก็ไม่พูดมัน มันง่ายกว่าการพูดปวดซี่การพูดปวดนี่ยากที่สุดและมีพิษมีภัยที่สุดก็คือการพูดปวดค่ะคุณพระจันรทร์คิดว่าอะไรที่จะหยุ ด, ด ค, ความปวดในดีดอความโกรธก็เกิดจากความอยากเอาเนี่อยากได้อะไรพอไม่ได้ก็โกรธใช่ไหมก็อย่าไปอยากดิถ้าไม่อยากก็ไม่โกรธเหมือเวลาพ่อแม่อ <c oughs> อก็ ใช่เพราะอยากให้พ่อแม่เป็นอย่างนั้นปเป็นอย่างนี้อก็อเขาอยากจะให้พ่อเป็นอย่างนั้นแม่ก็อยากให้พ่อเป็นอย่างนี้มันก็โกรธกันเนี่ยพอมันไม่ได้ดังใจอยากถ้าไม่อยากก็ไม่โกรธก็ปล่อยก็ตากคนดังอยู่ไปพ่อจะกินเหล้าก็ปล่อยให้พ่อเป็นกินเหล้าไปแม่จะเล่นไพ่ก็ปล่อยให้แม่เล่นไพ่ไปคื อ, อเราปล่อยอยา่าไป อ, ออย่าไป ah. ยุ่งกับเขาเออก็จะไม่เยยปล่่อาตแโกรงถ้าป้องกันได้คก็ปล้องกันได้ก็ป้องกันสิทําไม ทาไม่ได้ก็ก็ถือว่าเป็นกรรมไปอตามบุญตามกรรมไปก็คือเราไม่คุยกัไปไหนน้อว่าหยุดเถอะไม่ไดประโยชน์จะได้ก็เป็นพ่อเราแม่เราก็สอนเราเราก็เป็นครูเราเราไม่ได้เป็นเราเขารู้มากกว่าเรานอกจากเขาถามเราบางทีก็อาจจะมีสิ่งที่เขาไม่รู้ก็เาอยากจะถามเราก็บอกได้แต่ของที่รู้กันอยู่ไม่ต้องไปสอนกันหรอกเขาก็รู้เราก็รู้เขาก็หยุดกิเลสเขาไม่ได้หยุดความอยากเขาไม่ได้่่องไม ไปสอนแล้วมันทําให้เราเหมือนกับไม่เครารพพ่อแม่ไปคือต้องคิดว่าคนเราเกิดมาคุณกรรมไม่เท่ากัน อ, อใช่ใชคือไม่ว่าคุณจะเป็นพ่อแม่ผมแต่ว่าคุณทําอะไรเยอะคุณดําเนินชีวิตอย่างนี้ก็จะป่วยใช่ไหมใช่แต่ถ้าการถ้าต้องการให้ช่วยแลย้วก็เขาต้องบอกเราก่อนว่าให้ช่วยเขาช่วยสอนเขาช่วยบอกเขาให้ทํายังไงมีปัญหาช่วยแก้ให้หน่อยแล้วก็ช่วยแก้แต่อย่าไปสอนเขาโดยที่เขาไม่ขอร้อง พ่อมันไม่ใช่ฐานะของลูกที่จะไปทำไม่ใช่บอกแม่ทําอย่างนี้เสียพ่อทำอย่างนี้เสียเดี๋ยวก็นอนถีบเลยกลเรื่อง ม, มึงมาออก็เหมืมอนกันความเกลียด ก, ค ก, ย ก, ก็ความอยากอีกแล้อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นพ้องเขาไม่เป็นอย่างนั้นก็เกลียดเขาเกลียด ก, ก็โกรธก็ตัวเดียวกันนหมแดแหละโดนแล้วมันก็เกลียดใช่ไหม ก็อยากอยากให้พอมันไม่ได้ดังใจอยากก็โกรธก็เกลียดก็อยากไปอยากเสอย่างปล่อยคนที่เราไม่รู้จักเน่ยไปโกรธไปเกลียดเขาเลยถ้าคนที่เราไม่มีความอยากด้วยเขาจะเป็นไงแล้าเห็นเดือดร้อนนะก็ไม่ไดอยากจะแนะนําบางคนอก็นั่นเหรอเขาเกลียดก็มันมันมันหน้าที่ของเราหรือเปล่าที่ไปแนะนำนะแล้วมีมีบางคนนะครับที่ชอบบอกว่าปัญหาฉันเยอะปัญหาคุณน้อยคุณคิดว่าปัญหาคุณเยอะปัญหาผมไม่เยอะมากกว่าคุณอย่านี้ ก็เรื่องของเขาเขาว่าไงก็เรื่องของเขาแล้วอย่าไปยุ่งของเขาก็จบเลยเราไปยุ่งของเขาเองเลยแต่เขาก็จะบอกว่าปัญหาคุณมันน้อยแล้วนะก็เรื่องของเราเนี่ยมันดูไม่วันจบยังไงไม่ดูคือเราอยากจะช่วยเขาปัญหาคุณจริงจริงนี่มีอะไรหรอกก็นั่นแหละปัญหาคือความอยากของเรานั่นแหละถ้าไม่มีความอยากก็ไม่มีปัญหาอแล้วหยุดความอยากซะอย่างอย่าไปยุ่งกับใครนะ เพ yeah, yeah uh, okay. ื่อนี่ตรวเองจะบอกอย่างเงี้ยค่ะสมมติมีอะไรที่เราขัดหงขัดตาขัดใจเราจะบอกเองว่าก็เรื่องของเขาอก็เป็นอย่างนั้นฝนตกมันกัดฝนตกเราไปห้ามมันได้ป่าอ่าก็เหมือนกันคนจะเอาหัวเดินก็ห้ามเขได้ป่าวถ้็ปล่อยก็เดินไปคนก็จะเป็นบ้าเอาไปห้ามก็ได้ป่าก็ปล่อยก็เป็นไปถ้าเขาไม่มาขอร้องให้เราช่วยเหลือเขาถ้าเขาขอร้องเราไม่ช่วยเนี่ยอันนี้มันจะถือว่าเราไล่ไร่เมตตาเ่อกีเราจะขอร้องบอกว่าให้คนนี้ไป ก็ต้องดูว่าทำได้หรือเปล่าเนทำไม่ได้ทไม่ได้ก็อย่าทำได้ก็ทำทำไม่ได้ก็อย่าทำต้องดูความสามารถดูขอบเขตของความเป็นไปได้ด้วยไม่ว่าจะทำอะไรแล้วต้องดูว่าผลกระทบมันดีหรือไม่ไม่ดีทาไปแล้วมันเกิดทำให้มันเกิดความเสียหายมากกว่าไม่ทำก็อย่าไปทำดีกว่าถึงแม้ผลจะได้ดังใจดังที่เราต้องการแต่ผลเสียหายผลกระทบมันมันมากกว่าก็อย่าไปทามันดีกว่า ไปใมันเป็นไปตามบูญตามการตามธรรมชาติแหละดีที่สุดเดี๋ยวก็ตายกันหมดแล้วคิดอย่างนี้ไม่ไม่คิดอย่างนี้บ้างเลยโมวุ่นวายกันทำไมขนาดมีชีวิตยอยู่อยู่กันอย่างสงบดีกว่าต่างคนต่างอยู่กันไปเดี๋ยวก็ตายกันไปหมดแล้วมีใครไม่ตายบ้างไงใช่ไหมให้ทางบ้าน เ, นเขาถามบ้างคำถามแรกจากทาง inbox นะคะจากคุณบอล สิ่งที่ไม่น่าอภิรมที่เราเคยทำกับพ่อแม่ไว้ในอดีตกลับกลายเป็นสิ่งที่ลูกเรามาทำกับเราในปัจจุบันอยากให้พระอาจารย์อธิบายในเรื่องนี้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรและลูกของเราจะได้รับสิ่งที่เราได้รับในอนาคตหรือไม่ครับก็เราสอ น, นไงเวลาเราทำมันก็เห็นเราทำการกระทำของเราก็เป็นการสอนว่าพ่อทำอย่างนี้ลูกก็จะทำอย่างนี้ได้พอสูบบุหรี่ลูกก็จะสูบบุหรี่ พอกินเหล้าลูกก็ลูกก็กินเหล้าแล้วต่อไปลูกของลูกมันก็จะทำตามลูกเถ้าลูกทำอะไรมันเห็นพ่อแม่ทำอะไรมันก็ทำตามกันยา น, นการการะทาของเราเนี่ยเป็นตัวสอนคนรุ่นหลังลูกหลานของเราถ้าเราทำดีเขาก็จะทำตามเราถ้าเราเข้าวัดเขาก็จะตามเราเข้าวัดถ้าเราไม่ดื่มเหล้าเขาก็ไม่ดื่มเหล้า ดนั้นการกระทําของเรานี้มีส่วนใดก็ไม่ร้อยเปอร์เซนตส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ใจของเขาเองว่าเขาฝาักใฝ่ไปในทางไหนถึงแม้ว่าเราไม่กินเหล้าแต่ถ้าเขามีความฝักใฝ่ในในการกินเหล้าเขาก็อาจจะไปกินของเขาเองก็ได้อันนี้ก็เลือกเป็นเรื่องที่เราไม่เกี่ยวละเราทําหน้าที่ของเราแล้วเราทําตัวอย่างที่ดีให้กับเขาแล้วอเขาไม่ฝักใฝ่ในทางนี้เขาฝักใฝ่ไปในทางที่ไม่ดีเพราะเป็นสันดานเขา ที่ติดมากับเขานี่แล้วก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้สุดวิสัยคําถามจากทางอิงบ็อกนะคะจากคุณปัญญาค่ะข้อแรกการละกิเลส ด, ด้วยปัญญาจะทําได้ก็ต่อเมื่อมีสมาธิที่ตั้งมั่นในในระดับหนึ่งแล้วเท่านั้นใช่ไหมครับใช่เพราะว่าถ้าไม่มีสมาธิมันจะไม่มีกําลังสู้ความอยากกิเลสอยากเดินกาแฟแล้วปัญญาบอกว่าเดินแล้วติดนะ ต้องดื่มไปเรื่อยๆแล้วเวลาไม่ได้ดื่มก็จะทุกข์นะแต่มันก็ทนมันทรมานใจเวลาอยากแล้วไม่ได้ดื่มแต่ถ้ามีสมาธิมันหยุดความทรมานใจได้ทำใจให้สงบได้มันก็ทนกับความอยากได้เอานถ้าไม่มีสมาธิแล้วหยุดความอยากไม่ได้ต้องมีทั้งสมาธิทั้งปัญญาสมาธิเป็นกำลังสู้ปัญญาเป็นผู้ ให้เหตุผลว่าทำไมไม่ควรทำตามความอยากเพราะได้ไม่คุ้มเสียได้ดื่มกาแฟก็ได้ความสุขแต่มันก็ติดเหมือนปลาที่ติดเบ็ดใช่ไหมเวลาเห็นเบ็ดเห็นเหยื่อติดอยู่ปลายเบ็ดก็ฮุบ ม, มันเลยฮุบแล้วก็ถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากถ้าไม่ได้ฮุบเหยื่อมันก็ไม่เจ็บตัวใช่ไหมนั่นแหละก็แบบนี้ปัญญาจะเป็นคนบอกว่าการทำตามความอยากนี่ได้จะไม่คุ้มเสีย ดูอย่าไปแต่ทําดีกว่าอยู่เฉยๆดีกว่าอ ย, อยู่เฉยๆแล้จะเป็นสุขมากกว่าข้อสองค่ะระับใดที่สมาธิยังไม่ถึงจุดที่พร้อมจะเดินทางปัญญาก็ควรจะจดจาะอยู่กับ ก, บการทําสมาธิไปก่อนอย่างเดียวเท่านั้นใช่หรือไม่ถูกต้องเหมือนเด็กอะ่ะก่อนที่จะวิ่งได้ฮะยืนให้ได้ก่อนเดินเดินให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปวิ่งถ้ายังคลานอยู่อย่าไปพยายามวิ่งเลยวิ่งไม่สําเร็จหรอก อย่ใดถ้าจิตยังไม่มีสมาธิอยาไปสู้กับกิเลสเลยไม่มีวันที่จะชนะมันหรอกต้องมีสมาธิก่อนแล้วค่อยเอาปัญญาที่เรามาเรียนมาศึกษานี้มาสอนใจอีกครั้งหนึ่งสอนว่าสิ่งที่เราอยากได้มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เราควบคุมบังคับมันไม่ได้ถ้าเราเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เราควบคุมมันไม่ได้เราก็จะไม่ทำตามความอยากแล้วถ้าเรามีกําลังเราก็จะสู้กับความอยากได้ถ้าเรามีสมาธิ ข้อสามเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสมาธิเราอยู่ในระดับไหนแล้วพร้อมจะเดินทางปัญญาแล้วหรือยังก็ต้องรวมสักแต่ว่ารู้เป็นอุเบขเกขาเจ็ดรวมเป็นหนึ่งร่างกายบางทีหายไปหรือไม่หายก็ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่สนใจไม่กังวลกับร่างกายร่างกายจะเจ็บตรงนั้นจะปวดตรงนี้ก็จะไม่รู้สึกอึดอัดลำคาญใจจะได้ยินเสียงอะไรก็ไม่อึดอัดลำคาญใจใจจะเฉยเฉยจะนิ่งสบาย ไปกับภาวะต่างๆที่มาสัมผัสรับรู้การมีสติรู้ตัวตลอดเวลามีเคล็ดลับหรือเทคนิคอย่างไรบ้างครับก็มีหลายวิธีพุทโธให้รู้อยู่กับพุทโธตลอดเวลานึ่งตาขึ้นมาก็พุทโธไปเลยเข้าห้องน้ําล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ําแต่งตัวก็พุทโธไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็มีสติตลอดเวลาเลยวิธีหนึ่งก็เฝ้าดูการกระทําของร่างกาย ตอนนี้กำลังอาบน้ำก็อยู่กับการอาบน้ำกำลังแปลงฟันก็อยู่กับการแปลงฟันนี่เรียกว่ามีสติอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนีเนน้เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดคือร่างกายของเราไม่ต้องคิดให้รู้เฉยๆรู้ว่ามันกำลังทำอะไรและเวลานั่งหลับตาก็จะได้อยู่กับพุทโธได้อยู่กับลมหายใจได้เวลาที่เลี้ยงไม่ได้ต้องเข้าไปอยู่ในที่ที่คนทุกข์พและวุ่นวาย บางทีไม่รู้สึกไม่รู้จักกำหนดสติอย่างไรขอคำแนะนำด้วยคะ่ะก็ทางพุทโธพุทโธไปอย่าไปสนใจกับสิ่งที่เรามาสัมผัสให้สนใจกับเรื่องที่เราต้องต้องรับรู้เท่านั้นเรื่องที่ไม่ต้องรับรู้อย่าไปสนใจใครจะตะโกนใครจะเต้นจะร้องจะทำอะไรก็อย่าไปสนใจพุทโธพุทโธไปคำถามจาก Youtube ไลน์นะคะ จากคุณแท็กทิศธรรมะค่ะโยมฝึกแบบปัญญาอบรมสมาธิได้ผลดีก้าวหน้ามาตลอดปัจจุบันกำลังฝึกให้จิตเห็นต่างและละขาดกับความเข้าใจที่ผ่านมาทางอายตนะทั้งหกที่ผ่านมาไม่เคยทำได้ตลอดทุกขณะจิตยังสลับหลงสลับแยกตอนแยกจะได้ชัดมาก จึงพยายามปีกวิเวกมาพิจารณาให้ทีๆต่อเนื่องเพื่อให้จิตละให้ได้เด็ดขาดและพยายามลดอาหารและการนอนพอทำทีๆแล้วรู้สึกเหมือนล้าเบอร์ไม่เห็นต่างชัดเจนเหมือนตอนทำไม่ทีไม่ทราบ ว, ว่าเป็นเพราะอะไรและควรแก้ไขยอย่างไรคะก็บางทีถ้ามันทำมากเกินกำลังมันก็จะเกิดอาการที่มีผลข้างเคียงคือเบอเบล อ, บอได้ก็ ผ่อนมันบ้างพักมันบ้างทำพับจิตบ้างสิถัดทำสมาธิบ้างทำปัญญาอบรมสมาธิอย่างเดียวแต่มันไม่ได้เป็นปเป็นเป็นเป็นสมาธิก็แสดงว่ามันไม่ได้ผลมันต้องได้สงบด้วยจิตสงบจิตถ้าจิตสงบแล้วจิตจะไม่เบื่อก็ต้องมาทำสมาธิให้ได้ทำจิตให้นิ่งให้สงบให้ได้คำถามต่อไปจากคุณลินคะ่ะ หนูฝึกภาวนาด้วยอานาปนสติพอจิตเริ่มนิ่งก็ฝึกทางปัญญาแบบเวทนานุสติด้วยการรับรู้ความรู้สึกของร่างกายและฝึกอุเบกขากับความรู้สึกชอบไม่ชอบเฉยแต่ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการพิจารณาไตารักอ๋อมันมันนี่มันหลายเรื่องมานปนกันเอาเวลานั่งสมาธิเราต้องการเรื่องเดียวคือความสงบเรื่องพิจารณาเวทน า, ทนาเรื่องพิจารณาอะไรนี้ ไม่ใช่เวลานี้ต้องมารอเวลาที่เราไม่ได้นั่งสมาธิก่อนแล้วค่อยพิจารณาตอนนั่งสมาธินี้ให้ดูลมอย่างเดียวให้จิตสงบนิ่งไม่ให้คิดปุุงแต่งให้จิตรวมเป็นหนึน่งแล้วก็มีความสุขแล้วก็อยู่กับความสุขนั้นไปนานๆออกมาแล้วค่อยไปพิจารณาเวทนาพิจารณาเวทนาจะพิจารณาจริงๆก็ต้องเจอเวทนาที่มันทาให้เราทุกข์เวทนาที่ไม่ทาให้เราทุกข์ไม่ต้องไปพิจารณาหรอกไม่เสียเวลา มันไม่เป็นปัญหาเอาไอตัวที่มันทําให้เราทุกข์เวลาปวดท้องปวดหัวเนี่ยแล้วอยู่กับมันได้หรือเปล่าไม่ต้องไปกินยาแก้ปวดได้หรือเปล่าเ<อ><อ>พราะที่ปวดมากมันไม่ได้ปวดที่ท้องที่หัวมันปวดที่ใจมันทรมานที่ใจแต่ถ้าเราใช้ปัญญาสอนใจว่าเราหนีความปวดหัวปวดท้องไม่ได้หรอกอยู่กับมันไปทําใจให้เฉยๆเป็นอุเบกขาทําเหมือนตอนที่เราอยู่สมาธิเราก็ไม่ต้องไปกินยาแก้ปวดได้เราก็จะอยู่กับ ความปวดได้นี่คือการพิจารณาเวทนาให้เราอยู่กับมันได้เวลามันมาและเวลามันไปก็อยู่กับมันได้เช่นเวลาสุขเวทนาไปก็อย่าไปทุกข์กับมันไปก็ปล่อยมันไปสุขเวทนาหายไปทุกขเวทนาเข้ามาแทนที่ก็อยู่กับมันไปไม่ไม่ต้องหนีทุกขเวทนาเพื่อไปหาสุ ข, ขเวทนาเราอยู่เฉยๆเราไม่มีหน้าที่หามันตามมัน เรามีหน้าที lighting, to to war, siglo, ่อยู่เฉยๆรับหน้ามันรับต้อนรับมันเท่านั้นเองมันจะมาในรูปแบบไหนก็รับมันสุขเวทนามาก็ต้อนรับมันสุขเวทนาไปก็ไม่ต้องไปตามมันไม่สุขไม่ทุกเวทนามาก็อยู่กับมันไปเราให้มีหน้าที่รับรู้เฉยๆเท่านั้นเองอย่าไปวิ่งตามมันด้วยวิ่งหนีมันตอนนี้เราชอบวิ่งหนีมันพอเจอทุกขเวทนาก็จะวิ่งหนีมันพอเจอสุขเวทนาพอมันหมดก็จะวิ่งตามมัน เราใจเราก็เลยวุ่นวายไม่มีระจับไม่มีวันจบสิ้นความสุขของใจอยู่ที่การไม่วุ่นวายอยู่ที่การเฉยเฉยอยู่เฉยเฉยรับรู้เฉยเฉยสักแต่ว่ารู้รู้ว่าตอนนี้มีทุกขเวทนารู้ว่าตอนนี้มีสุ ข, ขเวทนาหรือว่าตอนนี้มีไม่สุขไม่ทุกขเวทนารู้เฉยเฉยแต่ไม่ต้องไปจัดการอะไรกับมันอยู่กับมันไปเราใจเราจะมีความสุขสบายไม่ทุกข์กับความทุกข์ทางร่างกาย ตอบเป็นคําถามจากเฟซบุ o กไลฟ์นะคะประคุณวิไลรักค่ะจริงไหมคะที่คนที่มีสี่งเสมอกันมันจะพบเจอกันและได้อยู่ร่วมกันก็เหมือนน้ํามันกับน้ําเนี่ยเราเราใส่เข้าไปผสมในขวดดูเลยเราน้ํากับน้ํามันผสมในขวดดูแล้วเราเขย่าดูห้มันเป็นเนื้อเดียวกันได้ไหม mm hmm. เดี๋ยวมันก็แยกกันใช่ไหม mm hmm. คนมีสี่งกับคนไม่มีสี่งก็บแบบนีนะ้ใช่ไหมคนมีสี่งคนกินเหล้าคนไม่กินเหล้าอยู่ด้วยกันได้ปะ คำต่อว่าชัดอยู่แล้วใช่ไหมคนมีศีลก็จะอยู่กับพวกคนที่มีศีลคนที่ไม่มีศีลก็จะอยู่กับพวกคนที่ไม่มีศีลคนชอบกินเหล้าเขาก็ไปกินเขาก็ไปอยู่กับพวกคนที่ชอบกินเหล้าคนที่ชอบเล่นการพนันก็จะไปอยู่กับคนที่ชอบเล่นการพนันคนที่ชอบไปวัดก็จะไปอยู่กับคนที่ชอบไปวัดมันก็เป็นธรรมชาติก็กฎธรรมชาติอยู่แล้วขั้นถามจากคุณนันทชนนะคะ ดิฉันอยู่องค์กรที่มีความรู้มีวิสัยทัศน์ที่เป็นเลิศแต่ผู้นําขาดความยุติธรรมไม่รับฟงังความคิดเห็นของคนอื่นที่ไม่มีความคิดเดียวกับเขาดิฉันตึงจึงตัดสินใจที่จะออกจากองค์กรนั้นเพื่อนําความรู้มาสร้างองค์กรใหม่แบบนี้ถือว่าเราไม่อดทนไม่ต่อสู้หรือเปล่าคะก็แล้วแต่เหตุผลไงถ้าคิดว่าเราออกไปแล้วเราทําประโยชน์ได้ดีกว่าที่เราอยู่ก็ไปก็ไม่เห็นก็ไ ม, ไม่ไม่เกี่ยวกับการอดทนหรือไม่อดทน แต่ถ้าเราต้องอยู่แล้วเราไปเราก็แสดงว่าเราไม่มีความอดทนถ้าเราต้องอยู่เราก็ต้องอยู่ไปแตถ้าเราไม่ต้องอยู่อยู่แล้วไม่เกิดผลดีไปแล้วได้ผลดีกว่าเราก็ไปดีกว่าขอให้อยู่ที่ตรงเหตุผลคําถามจากคุณครูครูป้อมคำว่าจิตเดิมหรือที่ตั้งของใจ ขอความรู้เรื่องคําว่าจิตเดิมที่ตั้งของใจและวิธีทําลายใจค่ะ อ, อ๋อจิตเดิมก็คือเวลาจิตที่มันเข้าสู่ความสงบมันกลับไปอยู่ตรงจุดเดิมของมันจุดเดิมของจิตก็คือความสงบแล้วจิตเข้าสู่ฐานคือสมาธินี่เรียกว่าเข้าสู่จิตเดิมเวลาจิตเดิมนี่มันหยุดตรุงแต่งหยุดคิดอะไรความที่มันเป็นนูน่นเป็นนี่มันหายไปหมด แต่พอออกจากสมาธิมาเราก็ปรุงแต่งตามสมมติใช่ไหมเราเป็นหมอเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นลูกของคนนั้นเป็นพ่อของคนนี้เน่อันนี้ก็เป็นจิตปัจจุบันละแต่ถ้าเป็นพอเรานั่งสมาธิแล้วก็ถอดไอ้จิตปัจจุบันออกไปถอดสมมติต่างๆที่มันติดมากับจิตออกไปเวลาจิตสงบมันหยุดคิดปรุงแต่งหยุดจำมันก็เลยเหลือแต่รู้เฉยๆอัเรีกว่าตอนนี้เรียกว่าตัวจิตเดิม ส่วนจิตนี่ไม่มีวันที่จะถูกทำลายได้คำ ว, ว่าจิตกับใจก็คือตัวเดียวกันเราใช้ผัดกันเปลี่ยนกันไปสลับกันไปโ ด, โดยทั่วไปเราจะเรียกว่าใจเป็นผู้รู้จิตเป็นผู้คิดแต่มันเป็นตัวเดียวกันเพียงแต่มีชื่อต่างกันและมีหน้าที่ต่างกันเท่านั้นเองใจนี่มีมีสองส่วนส่วนที่คิดกับส่วนที่รู้ส่วนที่คิดนีเกิดดับเกิดดับคิดได้หยุดได้แต่ส่วนที่ไม่หยุดก็คือ ผู้รู้นี่ไม่รู้อยู่ตลอดเวลาไม่มีวันดับออีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายคําถามจากคุณรันทาโลนะคะเสียงกับแม่ขึ้นเสียงกับแม่เป็นประจำแต่ไม่ได้โกรธแม่แม่ก็ไม่ได้โกรธผมจะเป็นบาปหรือเปล่าครับถ้าทุกคนแฮปปี้ก็ไม่น่าจะบาปเลย <laughs> <laughs> แต่ถ้ามันมันแต่มันก็ไม่สมควรเพราะาเราเป็นลูกเราไม่ควรที่จะไป เถียงพ่อเถียงแม่ท่านเป็นเหมือนครูบาอาจารย์เราเป็นเหมือนนักเรียนนักศึกษาครูบาอาจารย์จะพูดอะไรสอนอะไรถูกบ้างผิดบ้างก็ไม่ต้องไปเถียงรับรู้ไว้เฉยๆแล้วก็มาพิจารณาว่าถูกหรือไม่ถูกถ้าถูกก็ทําตามถ้าไม่ถูกก็ไม่ต้องทําตามอย่างนี้จะดีกว่าเอาแล้วนะกวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา